เป็นผินดงธุระกันดารมีนามเรียกขานของศิทธิพระตาคตผู้ออกเผยแผ่ธรรมะแก่ผุรชนมิให้มองมนปลดทุกข์ด้วยทางธรรมธรรมจาริกธรรมจา ธรรมจารีตขึ้นอยู่กลางป่าหรือว่ายอดดอยท่านไม่เคยถอยเฝ้าคอยชี้นำให้ใช้ธรรมะขององค์พระพุทธธรรมให้ใจสุขลำน้อมนำทำกรรมดีธรรมจารี ธรรมจารินธรรมจารีนเร่งพัฒนาการอยู่การกินให้มีชีวิตสุขสันต์เปรมปรีพบแสงสว่างส่งทางสร้างความดีให้มีความสุขความทุกข์า Thamacharik, thamacharik, thamacharik. เรงพัฒนาการอยู่การกินให้มีชีวิตสุขสันต์เปมปรีพบแสงสว่างสง่งทางสร้างความดีให้มีความสุขความทุกข์ายไปธรรมจาริกธรรมจาริก Thamajari, thamajari, thamajari, thamajari.